มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาปัญจมวัคณนะจะสังกมติปฏิสันทหณะปัญหาที่ห้า ถามว่าสัตว์ที่จะปฏิสนธินั้นไม่ต้องก้าวไปก็ปฏิสนธิได้หรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคะเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐสัตว์ยังบังเกิดยังปฏิสนธิอยู่นั้นมิได้ย่างไปและจะปฏิสนธิได้หรือประการใดพระนาคเสนถวายพระพรว่า มหาราชดูราณะบอบพิษพระราชสมภารสัตว์ที่ยังบังเกิดและปฏิสนธิอยู่นั้นมิได้ย่างไปและปฏิสนธิได้อยู่พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์จึงตรัสให้พระน้าเกษมอุปมาต่อไปฝ่ายพระน้าเกษมจึงมีเถระวาจาถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชดูราณะบอบพิษพระราชสมภาร เปรียบปานประดุดประทีปอันเดียวตามอยู่จะได้มีไฟอื่นหาไม่ได้บุคคลจะต้องการไฟจุดประทีปอื่นอีกก็ต่อจากประทีปอันตามไว้เดิมนั้นประทีปเดิมก็ไม่ได้ย่างไปและประทีปดวงใหม่ก็ติดโพรงได้ชั้นใดก็ดีบุคคลที่ยังจะปฏิสนธิอยู่นั้นมิได้ย่างไปและปฏิสนธิได้ฉันนั้น พระเจ้ากรุงมิลินปินกสัตร์ว่าโยมอรัธนาขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาให้พินโยภาวะยิ่งกว่านี้พระนาคเสนมีเถระวาจาถวายพระพร อ, อุปมาวา่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารดุจิตไปเรียนเลขและวิชาในสำนักอาจารย์เลขและวิชาก็ไม่ได้ยางพ้นจากอาจารย์ชั้นใดก็ดี สภาวสัตว์ก็ไม่ได้ย่างไปและปฏิสนธิได้ฉะ น, นั้นพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรได้ฟังก็ทรงพระโสมนาตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวถ้อยคำนี้สมควรแล้วน่าจะสังกรมติปฏิสันทหนะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้